หนึ่สุดยอดเรียนคุณไม่เรียนนะกําหนดเส้นตายด้วยว่าถ้าถึงเวลาแล้วเนี่ยยังคิดไม่ออกเลยอย่าดันพลังคิดหยุดคุณต้องดีเส้นตายคุณอย่าทำางานยกตัวอย่างเช่เครื่องคอมพิวเตอร์อาจารย์เนี่ยนะสมมติทำไปสักครกหนึ่งนะแล้วมันแฮ้งหรือมีปัญหาแฮ้งหรือมีปัญหาผมเรียกฝ่ายคอมพิวเตอร์มา ข้าภายในสะิบนาทีแม่งแก้ไม่ออกนะโรทีคหรือทอําอื่นแล้วเข้าใจยังการจะไม่นั่งงมโขงเรื่องใดเรื่องหนึ่งนาะนแม่งเวลากูโคตรมีค่าเปลี่ยนเครื่องหรือทําอะไรแล้วแต่แตัดสินใจต้องเด็ดขาดมากๆเลยนะครับเรื่องพวกนี้นะต้องฝึกนะเรื่องพวกนี้เกิดจากการคุณเล่นเกมลบไม่เยอะเ ล, เ, ออย เ, ลเล่นอย่บ่อยเล่น Star War Starcraft ฟสตาร์คเคยเล่นยังคุณต้องแข่งกับเวลาใช่ไหมแมดดิชนะันต้องว่องไวมากเลยเล่นเร็ว เล่นเกมพนี้เรามาใช้กับชีวิตจริงให้ได้คุณจะทําตัวอย่างพะโลงนะพะโลงแม่งเล่นหมักลุกเก่งกว่าอาจารย์แต่แม่งโดนพเผาเลยคือมึงเก่งจะเข้าหมากลุกมึงไม่สามารถเอามากลุกไปแอบใช้กับชีวิตได้ผมผมเสียใจนะไ้าใครบอกว่าเกมหมากลุกเขาทำให้คนฉลาดอะ่ะไม่ใช่นะเกมหมากลุกจะทำให้คนบางคนฉลาดเก <c oughs> มโก้เนี่ยมึงไปส่งเสริมโก้อธิบายใบหัวง่าย เ, เวน เล่นโกรจอนก็มีแล้วแหปัญหาคือคุณรู้จักการแอปพลายในสิ่งที่คุณกำลังทำเข้าสู่ชีวิตจริงคุณเป็นหรือเปล่านี่คือเอาที่แอปพลายจากตำรามาสู่เลยครับสู่เรียลไลฟ์จากเล่นมาร์กูสมาสู่เรียลไลฟ์จากเล่นเกมซิมมาสู่เรียลไลฟ์คำตรงนี้ไม่ได้คุณเสร็จขอให้คุณเป็นแชมป์มาร์กระดับโลกคุณก็ไม่ฉลาดหรอกใช่ถ้าูดแอปพลายไม่เป็นต้องฝึกนะ วิชาที่เขาฝึกกันเขาเรียกว่าโยนิโสมานาสิกานคุณต้องฝึกวิชานี้โยนิโสมาณสิการะพระพุทธเจ้าเก่งเงื่องคนมากๆเพฉรไนคุณแม่พพุทธเจ้าเป็นบิดาแห่งครุศาสตร์วะถูกว่าเดิว๋วไปเชื่ออาจารย์ที่ทคณะครูก็ชิบหายเลยตัวแม่ก็ตัวไม่รอดเลยเมื่ออ่านที่พระพุทธเจ้าสอน พเรเยซูก็ได้พราล้อก็ได้นะฮะพเรเยซูก็ร้อผพ้เจ้าแต่องค์ท่านก็ไม่ธรรมดาน้วยวิธ่คิดองท่านะสุดยอดอ่ามาดูต่อมานะเสือเชื่อตวเอง เ, เราคุณเชื่อไหมแปดสิบเปอร์เซ็นของคนที่ไม่ประสบความสำเร็จเชื่อตนเองเป็นหลักคุณต้องยอมเชื่อใครบางคนบ้างในชีวิตเนี้ย คุณต้องเล็อกคนบางคนที่คุณจะเชื่อไปก่อนแล้วถึงเวลาถ้าไม่เข้าท่าถอนเชื่อไปก่อนนะถึงจุดตึงไม่เข้าท่าแล้วค่อยถอนอย่าปฏิเสธเสียตัง้งแต่ต้นเชื่อไปก่อนแล้วก็ถอนเค okay, ต่อมาคบบัณฑิตอย่านึกว่าเราเก่งอันนี้สอนแล้วนะหาเพื่อนให้ได้เยอะๆมีเพื่อนเยอะๆเพื่อนพอ่อไม่มีใครก็นายมือนั่นแหละ สร้างของสังคมคุณที่กว้างขึ้นเข้าคอลัมน์นะเข้าคอลัมน์ขอชมลม anywhere anytime anything anyone anyway is learning การเข้าไปช่วยราชพัสดุสิตเยอะนะอาจารย์สิโลตอาจารย์อะไพวกเนี้ยคุณดู ส, น ส, น ส, น ส, นสนวนดะุสิตเรานะถูกราชพัสดุอื่นด่าแม่รอบบงเนมะื่อก่อนเราตั้งรับาผเฉยว่ามีสวนดุสิต อยู่ที่ตรงสถาสังฮีใช่ไหมคุณดูส ว, วนลิสิธตเราตอนนี้บุกแปลกไปทุกฝนแห่งใช่ไหยังที่ไหนก็เรียนได้โง่เรื่องไหนก็เรียนได้ลองไปเดี๋ยวนะจะลงดาราเด็กกูสวยๆน่ารักเข้าใจไหมอยากเจอสาวสวยจะไปว่าจะพทศุลลิสิตดาราเพียบมันมากคือที่ไหนก็เรียนได้คุณอย่าไปเกี่ยนตัวเองนะ a อน w h e r e เรียนได้ไหม เดินไปริมหาที่มีเรื่องให้สอนเยอะนะยมากริมทะเลอ่ะมีเป็นสิบเรื่องเลยนะผมสามารถอยู่กับูผมได้เนะี่ยเช้าอ่หนึงสายจนเที่ยงสอนแม่นะเรื่องนะสุดด้วสอนคุณไมหยิบเลยไปเล่มหนึ่งนะหากถ้าเข้าปาหยิบเลยเข้าไปเข้าป่าทําลายดูนกเล่มหนึ่งผมว่าหาลาสมุนพไพรอย่าหมดไหนอ่ะ หรืออย่างที่ผมบอกมีใครถามผมเมื่อวานตรงเนี้ยใบไม้กิ่งหนึ่งเนี่ยแอนิอแว<ม>ร์เรยได้แอนิไนทมก็เรียนได้ถึงจุดจุดหนึ่งคุณเข้าไปฝันเลยโอเคเลยเอาเรื่องที่คุสนใจเข้าไปนั่งคิดในฝันเขาไม่เคยเออกข้อสอบในฝันเลยเปิามาแล้วจะเก็บข้อสอบเด็กแ ม, ม, <c oughs> ม่งมึนเน่ยที่เจอกูอยเนี้ยใช่ไหมแอนิติงสอนได้ไหม คุยกับคนโง่ที่สุดก็ได้ความรู้นะครับคุยกับคนโง่ที่สุดก็ได้ความรู้เดี๋ยวน้อยมึงก็จำหน้าตามล้ว ห, หัวเฮงอย่งนี้แม่งโง่จำไห้ไอคิวอย่างนี้นายอย่างนได้ความรู้แล้วถูว่ามึงอ๋อแม่เป็นจังสั้นพวกนี้ไม่เป็นใครก็ได้ anyone anyway ก็ อ, อ, อะไรครับทุกยิทธศาสาศตร์ใช่ไหม anyhow <laughs> จังแม่งเงินเหมือแม่คือการเรียนนี่ อย่าหยุดนะอย่าหยุดเรียนรู้ต่อมาเนี่ยอันนี้ผมคุยกันที่ผมสืบเมื่อวานนะดันยังไม่ไม่เริ่มอ่ะก็สุบเม่วาจงทาตัวอยากรู้อยากเห็นเหมือนเด็กสามขวบทาได้ยังพอเนี่ยอะไรไอเนี่ยอะไรออนนี้อะไรเั น, นยังนี <c oughs> ่ผมเข้ามาหน้าผมก็เริ่มบองแล้วแ <c oughs> ม่งทาไม่บ้างนี่ทาหาแลวเนี่ยอเนี่ยไอสิไม่ทำเปรนาวะ เรว่ากูคิดกูยังไงกูวิเวล า, ว า, วาไม่คิดเที่ยวเพราะน่นไพลออี้ของสอนคุณเพื่อนเดี๋ยวว่างเจ็บป้าบอกสื่อเดี๋ยวกูจะคิดละตอนนี้กูรอไม่ทนกูเก็บไว้ก่อนเนี่ยไอไอไอแทงเนี่ยมันทำทำเตี่ยแล้วเนี่ยซากแต่ที่ผมแต่ที่ผมยังเล้วใจกนะ็คือไอที่ยืนเยี้ยวตรงนั้นทำไมมันต้องยืนเยี่ยวมาโชว์กันได้หวะ <c oughs> ไอเดียใครวะแม่มันคิดอะไรอยู่มันมีเตีมมีซิลาริโออะไรในใจมันไงจ้ะ แล้มันค <c ười> <c ười> ิดอะไรของมันอยู่มึงเคยยืนเยี่ยวกู้กันไหมบางแห่งโถเยี่ยวชายแมงสูงขนาดอปูไปเจอไโอ้อะไรเยี่ยวนีแมงขึ้นแบบนี้มึงมึงไม่เกือกบนตัวเตี้ยเลยดีกว่าไอ้แมง่ะเย่หงไม่กูกระดงคุณยายไม่กูกรึงห่ะแม่งอยกให้ผู้ใหญ่เยี่ยวเด็กแม่งไปล้งน่คือคือทาอะไรแม่งก็ขป่ะ ไอ้ัวกาปัตเนี่ยสันดาแนแม่งเหมือนกันหมดเลยคือแม่ไม่เคยคิดว่าคนอื่นเคขาเขานอนมอไซค์เป็นยังไงสันดานสถาปัดวล า, าสร้างบ้านนะบางีผมเห็นพวกสถาปัดสร้างบ้านผมนั่ง น, น, น, นึกแงงในใจนะอยากให้แมงหลังหักเหมือนกูสักวันหนึงมึเห็นพวกสถาปัตมสร้างบ้านนะเล่นระเบิ <c oughs> เล่นสวยงามึงงมันมล้างทําความสะอาดนะที่คือพือ้นที่สะสมฝุ่นยางแง่ห้าสอมันเสร็จแล้วถูกปะ หองีโอกาสติดเชื้อปนเพื่องนงด้นโรคปอดมากมากทุนนี้เลยเเล่นอะไรเนี่ยเนี่ยเยดูเนเนี่ ย, ย, ยมืออะไรทำอะไรกันอยู่นี่ทําแต่วัสดุอะไรเห็นไ่มเห็นปะพราะแบคทีเรียที่พวกคุณแม่จะตกหมื่นสีถึงแจกคาแล้วเนี่ยเลิกเลยใช่ปะเนี่ยแอร์มันอยู่ข้างบนใช่ไหมต้องนั่งคิดชิมหายทําไมไม่ต้องคาสีเงินทําไมตรงนี้ต้องสีส้มอะไรเป็นอะไรเป็นวิชาการของการเลือกสีส้ม ใช่ป่ะคุณควบคู่ขาปัดนะคุณได้ความสวยของบ้านแต่สาระไม่ได้คุณต้อวิศวะใช่ป่ะมองในแง่แคทีคอถช่ป่ะสวยใครเป็นคนกาหนดความสวยใช่ป่ะเซฟตี้ล่ะหลาเชข้าใจยังออกก็โหลกเลยใช่ไห ม, หไห บ, ไห ม, มบ้านวิศวะนี่จะดูไม่ได้เลยอข้าใจไหมแข็งแรงปลอดภัยแต่เคยสุดท้ายศาสตร์ในโลกนี้เขาจะเปลี่ยนใหม่เว้ยทิ่จุฬาอาจารย์แ ล, แล้วเขากำลังเริ่มเปลี่ยนแนละ้ว คุณวิศวะสถาปัตย์อ่ะรวมกันเป็นหนึ่งแผนกทำได้ปะเอนจิเนียริ่งหรืออาร์ชเเพื่อแก้ผมด้อยของวิศวะและแก้ผมด้อยของสถาปัตย์รวมกันใช่ไหมในขณะดียกันคณะนิติศาสตร์กับคณะวิศวะก็จะผสมคันกันวิศวะอะไจะออกไปฟาดทุกคณะเลยเอาคณะนิติศาสตร์เมื่อรวมกับวิศวะแล้วได้คณะอะไรเขาเรียกว่าเรียซองนจิเนียริ่ง คือวิศวกรรมที่ชํานาญในด้านกฎหมายทั้งหมดเลยเรียสองกฎหมายฟ้องร้องในด้า น, นวิศวกรรมทั้งหมดเป็นจะเป็น e เ p e r t ทางด้านเรียสองนจ้เนี่ยตอนนี้ทําแล้วนะก็คือเนี่ยผมไม่ได้สอนที่วิศวะจุฬาเลยนะตอนนี้สอนที่คณะบัญชีจุฬามงงไหมาทายนี้สองวิชาอะไรถ้าผสมกันเมื่อบัญชีผสมกับวิศวะได้คณะอะไรครับ accounting e น g i n e e นเคยเจอไหม หรือ costing engineer เป็นวิศวกรที่ว่าด้วยเลยครับทั้งหมดเลยคุณต้องเก่งวิชา V A V E ใช่ไหมมอง V A V E ออกแล้วเนี่ยฟังก์ชันแม่งคืออะไรมันเป็นฟังก์ชันทางด้าน sentimental เท่าเยอะถูกป่ะนะส่วนทางด้านเั็น functional ฟังก์ชันเป็นเป็นอะไรเท่าไหร่ใช่ไหมลด cost ล ด, ดอะไรเท่าไหร่เนี่ยก็ต้องคิดอย่างนี้เข้าใจไหมเข้าใจไหมเด็กสามวบใช่ไหม อาี้ยทำไมนาฬิกาแม่งต้องไว้ตรงนี้ด้วยเนี่ยทำไมต้องไว้รงนี้เพราะมายทำไมไม่ไวฝั่งนี้ถูกต้องไ่เโอเคไวฝั่งนี้พวกมึงแม่งรอเลอิกอย่างเงี้ยกูเลิกกูจะเลิกเอง <c oughs> มันมันมีวิทยมันทาไมทาไมมันไม่ยิงขึ้นในนี้แล้วไฟพวกมึอองเยะขนานี้มึงให้ใครดูว่าตรงเนี้ยกูอยากกูเนี้ยมึงให้ใครเนี่ยมึงให้ใครอย่างเงี้ยถูกป่ะนะมึงต้องคิดชนะ ทำไมทำไมทำไมทำไมไมึงชอบผ้าสีฟ้าอูไม่เห็นกระโปรงพวกมึงเลยทำไมเขาเขาแจ่มมาทำไมเรี้ยวไหมทำตัวเดยกสมัรัทธาเป็นีังจมเลยจมเลยลูกผมมันจะมีห้องอูส่วนตัวไว้พวกคุณมียเงที่อ่นนผมผมต้องสอน เ, อเราเอาทุเลาพวกคุณหัดเลี้ยงลู้ก่อนนั้นโปรเจกต์ถัดไปนะหาพวกมึงเนี่ไปสถานเลี้ยงเด็ก วันเลงเด็กคนละสามเฮ้ยมีพวกอุ้ยพวกฝึ ก, กอะไรครับตอนนี้จะเรียนเูยอ่ะแวบะบเป็นเด็กก่อนกลับไปเป็นเด็กแล้วหายุทธศาสตร์แล้วคุณจะรู้ว่าลูกน้องคุณแม่ไม่ต่างกับเด็กสามขวบเลยที่สุดจบเด็กๆปกติแล้วนะเหนียวไปตากเกล็ดเดี็กนี่ว่ามันเลี้ยงเด็กอีกการ แล้วคมตอบพี่ยากที่สุดเลยนะจะจบหลักสูตรนี้ก็คือเลี้ยงคนแก่เจอการบ้านชลาคนชลาบังแค่นั่นแหละคือเจ้านายแก่แล้วก็จะดื้อเฉยเลยนะ ม, มึงเลี้ยงคนชลาได้นะมึงโอเคเลยคือเขาแกแต่มึงด่าเขาไม่ได้ใช่ไหมเหมือนเจ้านายมึงเนี่ยใช่ปะ่ะเจ้านายโง่มึงพูดตรงๆก็ไม่ได้ใช่ปะ่ะนั่นคือเลี้ยงคนแก่คุณพานดานนี่นะเดี๋ยวเซนได้รับรองในหะ้ เราไม่เชิงรอให้คนแก่ตายเหรอไ ม, ไม่คุณจะต้องไปเรียนรูน้เทคนิคในการจัดการคนแก่ให้คุณต้องจับเทคนิคให้ได้โดยที่แกไม่ด่าคุณเลยและแกก็รักคุณด้วยแถมยังทําตามคำสั่งคุณได้นี่คือไครไร้สุดยอดการมีนายคือนายอยู่ในโอวาทผมแต่นายรู้สึกว่าเป็นนายงงไหมคนเป็นนายผมมันจะมีความสุขมากที่ได้เป็นนายผม แล้ความสุขว่าใหญ่ผลผมแต่จริงๆแล้วทั้งหมดเนี่ยอันเดอร์มาไกสูเป็นคนคนโทเองอ่ะกูคนโทเกมแกกูจะเชิดแกไว้เวลาโดนด่าแกไม่โดนกูโดนปูจะรักหน้าแทนนายปูทุกเรื่องเลยเข้าใจไหมแต่ชื่นชมกูให้นายปูได้แต่ทุกอย่างแม่อันเดอรูผลประอยู่์อยู่กับกูแล้วพอแม่จะเสียนใครขึ้นอูเนี่ยเรืออีช้นึ่ก็คือปูไปเปิดบริษัทใหม่ปูเป็นคิงอีกแห่งนึง ถ้าปล่อยมึงจอไว้ที่นี่กูเป็นคู่แข่งแล้วแล้วกูรู้ไส้มึงหมดแล้วด้วยเพราะยลูกน้องที่ช่วงผมะอ่าชีวิตคือเซอร์ไวท์ถือว่าอคิลิสเว้ยกูคืออคิลิสกูเป็นเจ้าเมืองสปาร์ตาเว้ยช่วยนะน้่งยูที่วิธีคิดเห็นนะลูกผมเนี่ยพอตอนสามขวบเนยแม่งโคตรถามเลยถามถามถามถามถา ม, ถามต้องตอบหมครับตอบไปก่อนตอบจนกระทั่งมันประมาณหกเจ็ดขวบเริ่ม อ, อ่านหนังสือเป็น ผมก็จะซื้อห้องสมุดให้มันห้องหนึ่งก็คือบริเวณบ้านมุมหนึ่งเนี่ยมีตู้ให้มันตู้หนึ่งใส่หนังสือเข้าไปนี่เอาใหม่นะมันก็มาถามผมป้าเมฆเนี่ยทําไมแมงดำอ่าเแล้วก่อนจะตอบไหมใครต้องตอบด้วยครั้ น, นี้ก็ทําเป็นโง่ๆนะทําไมเมฆดํานั่นเลยสิมีบางเรื่องพ่อก็ไม่รู้เหมือนกันนะ ล, ลูก <c oughs> เพราะว่าคุณปล่อยแม่ถามต่อไปจะไปเนี่ะ มันจะติดสันดานถามแม่งไม่อ่านถือว่าแก้เกมไงคะนี้แม่งถามไม่เมฆดูก่อนลูกรักหนังสือในบ้านเล่มไหนผู้หนึ่งเมฆมาแข่งกันบีกาใครหาโจทย์เจอชนะ <c oughs> เดี๋ยวแม่งวิ่งไงป๊ปแม่งเปิดพ๊อสีดำนั่นก็คือคนระับเดบูลัสใช่ป่ะอ่าโอเคเก่งจังเลยเูวิลูกอกูสดขอดมูมีาอยู่วันนึงเว้ยไม่มาถามผม ป้าป้าพวมอะไรเนี่ยบิดแกนเนี่ยนี่เด็กเจ็ดขวบเปถามคุณมุง่งพวมอะไรบิดแกนนี้จะทําไมล้อรถไม่หมุนได้อย่างนี้ฮ่าฮ่าใหาม้มาถามผมแล้วมันก็แซวผมว่าป้าป้าต้องไม่รู้ได้แน่เลยกู ค, คิดในใจเวรกรรมกูแม่งที่ปรึกษาวงการรถยนตกูไม่รู้ได้ไงวันแรกเห็นปีเนียน้ยใช่ป่ะไอเวรให้กูวาดมึงดูทั้งหมดนั้งได้เลยแต่ต้องแกล้งโง่ไว้กับลูกเอาครับ นั่นแหละสเออไว้ไม่ห <s min uti> <h Points joy> ุนได้ไงล้วกแลลูกเออเว้ยมันแตกเว้ยเออเว้ยมันแตกเว้ยรู้ป่ะรู้ไม่งูเว้ยไหนพวกนี้มักระกมือของไปห้องสมุดของมันแล้วมก็เปิดให้ดู่ไงป๊าป้ามันมีเฟืองตัวนอนติดกันอย่างงี้อ่ะฮ่าอู้หูยงูเว้ยอ่จจาโอเคป่ะรู้จกว่าเฟืองตัวนอนเนี่ยพวเฮลิคส์วกนี้วกเนี้ยมมเกพวกเนี้ยใช่ป่ะ โอเคเลยอะเร้ขช้นสมมันไ้คะนี้ชึ้น่มมันยังไงครับเด็กสัดตาแล้วชึ้นชมลูกทำไงทำไงมื่อกอดมันเลยใช่ป่ะมือกอดมัน hacking มันตุมันก็ได้แกมันไม่เดี๋ยวโกเป็นสาวทาไม่ได้แล้วแม่ทาไะไม่ทำซะกอดไปก็ติดนมมันเด็กใช่ตอนนี้ยังไม่มีเลยกอดไก็บยังไงเด็กถ่มันมีแล้วมันด่าเราตายใช่ป่ะตอนนี้เป็นลูกเออให้มัน h a c k i ้ไปก่อน เราค่คอยสอนให้มันมั่นใจผมสอนลูกสาวผมหลายเรื่องเลยสอนเยอะมากผมสอนเรื่องสำคัญเลยคือเรื่องเวลามาร้องไห้เนี่ยน้ําตาของเด็กผู้ชายเท่านั้นน้ําตาของผู้หญิงใช้เมื่อจําเป็นเข้าใจยังน้ำตาคืออาวุธมือเลือกใช้ในจังหวะที่เหมาะสมอย่าร้องไห้บ่อยงงไหมสอนให้มันเปนแกล้งขึ้นเรื่อยๆแกล้งขึ้นเรื่อยๆเด็กผู้ชายาอ่อนแอเสมอจําไว้ เพาลูกสาวผมเกิดราศีมิถุนาเนี่ยโดยฐานดวงแล้วเป็นผู้หญิงเคี้ยวผู้ชายหลงรักไปหาหรี่แมงไายเคี้ยวผู้หญิงมิถุนานะ้าต้องฝึกมันไว้ให้หักอกชายไว้เรื่อยๆโง่เองอยู่บ้าอเข้าใจป่ะตอนไหลายอย่างโดยก็ยิ่งเวลาเวลาลูกผมร้องไห้เนี่ยที่ผมสอนนะที่ทีวีประสัมภาษ์ผมก็คือเวลาเด็กร้องไห้ปั๊บคุณต้องรีบสอนเรื่องอะไรรู้ไหม เอามือจับที่ อ, อกไหมตรงนี้ยจับอกลูกไหมลกูกเห็นในาการของกายที่เปลี่ยนแปลงไหมเห็นทุกไหมลกูลกทุกทุกอย่าอยู่ที่ใจจ้วผมจับแม่เดินนี้วงญญางมือลงบนศีรษคุณแม่เล่เลย<ล>ใส่ใสองมือเล่เลยนี่เรียน how to learn ซึ่งต้องใช้ศิลปะเยอะมากใช้ยุทธศาสตร์เยอะมากต้องนั่งดูดวงเป็นลายๆเป็นลายไปเลยผมบอกว่าดวงเลยจุดเริ่มต้นแม่งเป็นสิ่งที่ดีมันเป็นสแปนผมดูดวงไม่ได้ทำามอนาคตนะ ที่อจารย์พูดถึงดวงวานเนี่ยไม่ได้ช่วาดูอนาคตนะเพื่อดูลักษณะนิสัยแค่นั้นเองผมจะไม่ทํานายอนาคตเพราะอนาคตมันเปลี่ยนได้ด้วยสติดูว่าคนคันนี้เกิดราศีเนี้ประมาณนี้ยเด็กราศีแบบเนี้ยจะต้องสอนมันแบบนี้ถึงแต่ละคนจะไม่เหมือนกันเลยลูกผมแม่เกิดมิถุนาใช่ไผู้หญิมิถุนาแม่งกระรอนเนีตายในมุนาผู้หญิงทหง้หมดจีบยากที่สุดวิธีเดียวที่จีบสามมิถุนาได้คือให้มันจับมือ มันชอบมึงมึงจากมึงเองมึงไู่ขอกมันเลยแต่าใจไมเรต้องสอนมันสอนมันให้มึงรู้โอเคเรื่องต่อมานะเอาฝันร้ายวัเด็กออกไปนะครับห้องส ม, มุดส่วนตัวผู้คุณมีอย่างห้องสมุดส่วนตัวนี่ไหนเ <laughs> สือกพึ่งพิงที่นี่นะ <laughs> ตาย Your own library ียะ ห้องสมุราชภาัชบังแขงเนี่ยผมว่าบ้านผมยังผมซือเยอะกว่าเลยเชื่อป่ะถามว่าน่าจะพัชังแขงเลยก็ไปมันเป็นลมมีแค่เนี้ยห้องสมพึงและแต่ถ้าเกิดห้องสมุดราชาพัชร์สวนดุสิคุณไปดูได้นะโอ้โหแมออ่โคตรตุมเลยนะนักศานุมคนสั้นชุด ข, ขาวอย่างเงี้ยน่าไปนะเฮ้ยผมแนะนาคุณเลยนะคุณต้องตีซีหนังห้องสมุดให้ได้ ประเทศไทยที่มันชิบหายทุกวันนี้ก็ไม่มีห้องสมุดชุมชนที่เข้าท่าถ้าคุณไปอเมริกาเนี่ยทุกหย่อมหญ้าแม่งมีห้องสมุดหมดห้างสมุดของมันยืมวีดีโอได้ยืมเทปเทกได้ยืมหนังสือก็ได้แล้วเวลาเปิดของเค้าเนี่ยเค้าเปิดนอกราชาการหมดคเค้าเปิดนอกเวลาคนทํางานของเราแม่งปิดบ้าเลยเปิดพ้อนเวลาทํางานไอ้บ้าเอ้แล้วใครจะไปคือแค่คิดแม่งก็ป้าแนละ้วไอ้แผ่นดินเนี่ยมันยังไม่เป็นเลิร์นนิ่งโซซตี้ มันจะเป็สเหมือนการเรียนรู้ผมยังมองเห็นว่าเครือปูนเนี่ยถ้าเจ๋งเนี่ยนะทำห้องส ม, มุดเพื่อประชาชนหมอยว่าแก่งคอยทุ่งสงมึงทำห้องส ม, มุดดีๆเลยนะให้ประชาชนเข้ามาฮะเข้ามาใช้เยอะๆหนังสือลงไวเยอะๆในห้องส ม, มุคดคนจะมีนิทรรศการบ่อยๆเช่นมีการสมมนุดหนังสือให้ฟังมีการจับเลติ้งหนังสือยื ม, มบ่อยๆใช่ไหมฮะมีมูฟวี่มีวิทยากรมาพูดเสริมใช่ไหมฮะเราทำห้องส ม, มุดเป็นหน้าข้าวุ่นเยอะเลย ล่าสุ้องเอาอบรักณ์งโง่แก่ๆดุๆที่แม่บ้าห้าสอจนเกินเหตุไปเจอไหมใครมาต้องขอดรองเ้าต้องเงียบสนิทตบกระโหลกเห้ห้องผู้สมัยใหม่ต้องทำไมครับอาจจะจั ด, จ ด, จดชคุยเรื่องยุ่งเหยิงนานเลยมึงเข้าใจปะแดกกันก็ได้มีติมมีนี่คือสมัยใหม่คิดใหม่ทำใหม่แหวนล้อหมดไปส่วนจะเงียบๆีรือมีโซนเงียบโซนี้เงียบๆคุณเคยเจอไหม เข้าไปข้อส่วนตัวใช่ไหมแล้วคุณก็ปิดอ่ะคุณเดียวเงียบอ่ะโอเคมันมีไปตั้มกันในนั้นไม่ได้ถ้าคุณใช้กระจกสาสดูอยู่สวยข้างลูกมีทีวีวงจรปิดก็คุณจะ ด, ดูพวกมึงตั้มกันเข้าใจยังล้เทปเก็บไว้นะครับใช่ป่ะข้องหุ่มอชอขอนแก่นคุดูดิ <c oughs> มนันที่มา่าแม่เป็นกู้ๆเลยเนีย่ยขยังอยูห้องสมุดเ้าหวยเนี่ยเจ๊งเลยนะ อ, อ, อ, อีกแล้วก็เมืองไทยห้องสมุดไม่ยังไม่เจ๋งพอคุณยังไม่เคยเจอห้องส ม, มุดออนไลน์เดี๋ยวผมอยู่นะท่าผมได้เกี่ยวกับคุณลูกตรงไหนไหว่ายเราผมทำงานวิจัยอ่ะห้องส ม, มุดทั่วอเมริกาเนี่ยกูกูเซิร์ชแล้วกูยืนได้เลยได้พาร์ตีแรกแรกด้วยแล้วก็จะมีห้องส ม, มุดลึกลับของนาซาซึ่งคุณเข้าไม่ได้ต้องผู้ผมเทั้นที่เข้าไปแล้วผมได้เลเร็วกว่าคุณเยอะใช่ไหมแล้วบรรลักษ์ของมันก็คือผู้ผมเนี่ยผัดจะไม่น่าเป็นบรรลักษ์ว่าคนแบบนี้ย แม่งเอาคนจบบรรลักษ์มานุ้ยเอานักวิจัยเนี่ยใช่ป่ะนั่งในบรรักษ์สหรับกันมึนเงเอาใคร ม, ม, มึงรู้มาไหมจบบรรลักษ์ศาสตร์ใช่จัทห้องสมุดแบบดิวอี้และคอนเกรสไอเวร์ไม่รู้เรื่องเลยเลยหอบกระโหลกั่งทงักมิติ้งทุงวันเอาเมียใคร ม, มึงมาแนงไอเวร์ใช่ป่ะต้องเน่าคนที่แม่งเจง๋งๆบรรลักษ์สมัยใหม่คือมัคคุเทศเขาชี้ได้สอดอ่านเล่อนี้อ่านเล่อนี้ก า, าจัดอะไรมันๆได้ ห้สูที่พอจะเข้าท่าได้นะไม่รู้หา ย, ยากมั้ยสำเสรนี่อะไรก็ไม่เลวเคยไปไม้มโรงเรียนสำเสนไม่ไรไม่มีอะไรไสำเสรเลยวะไปดูไปดูแล้วกันนะทําสวยทําดีแต่ว่ายังยังไม่ถูกใจผมแต่ว่าโอเคอ่ะพอไปได้ละว่ า, าสภาพสวนสิทธิ์โอเคพอทนจุลาพอได้ทักษิณจะเปิดห้องสมุดแห่งใหม่ขึ้นตรงที่สำย่านนะ มันจะมีชั้นที่เป็นชั้นนักเขียนด้วยก็คือให้นักเขียนแม่งมาเจอกันมาเรียนรู้วิธีเขียนหนังสือมีอะไรเยอะแยะเลยนะแล้วก็เริ่มทำตัวเขอสมุดแห่งชาติขอหน่วยชาติมันคือพิจิพัณฑ์หนังสือยืมก็ไม่ได้แปลมากก็ไม่ได้แค่ไอเดียนคิดใหม่ทําใหม่นะลิงก์ห้องสมุดของคูณสมัยมันคนจะลิงก์นี่หมดทั้งเครือเป็นออนไลน์ไลบรารีอยากรู้เรื่องไหนน่าจะมีชมรมมีฟอรั่มตบทะเรียนเป็นฟอรั่ม คุณเคยมีฟอรัรมอย่างทผมบอกมแค้ฟอ ร, รัมอินสูเมนต์คุณนะไงโอ้ยคุยเรื่องอินสูเมนต์อย่างเดียวเลยใช่ป่ะฟอรัมมเรื่องยูนิตโอเปเรชั่นใช่ไหมงานคือเบนคือยูนิตออฟใครเป็นเซียนฮีทชมรมฮีทแานเฟอร์ใช่ไหมชมรมโมเมนตัมแานเฟอร์ว่านไปมณนี้หมายถ้าใช้วิธีคิดนะอ่ต่อมานะรู้สลิตตนเองเดี๋ยวาสอนเรื่องสลิตยีสี่ให้เดี๋ยวติดไว้ก่อน แต่สุดท้ายคือต้องทําไมครับดับจริตนี่เราเปลี่ยนแผนการสอนแล้วนะเมื่อวานสอนแบบฟรีสไตล์เพื่อเช็คกําลังคุณพบว่าพวกคุณสรุปไม่ค่อยคล่องเข้าใจยงผม <c oughs> เลยเปลี่ยนใหม่เป็นติ้งเป็นสายแทนไม่กลับแบบพืนะ้นฐาะเดี๋ยวไหนะคุณพัฒนาขึ้นผมกลับไปสอนแบบเดิม น, นะแบบฟรีสไตล์เปลี่ยนแผนให้ถ้าคุณเคยกับนี้นะก็จะแจกเป็นชีสให้ทุกคนทำพร้อมกันถ้าคเคยกับนี่ Work op, อีกเวิร์กชอปเวิร์กชอปแลแบ่งกลุ่ม <c oughs> พิยเอกกรแม่โค้ตป้าเลยแบ่งกลุ่มไม้คือพักคเสียงแล้ว้หลอกผู้มึงการกิจกรรมใช่ไหมแล้วก็พิเศษบ้าจ้ดีครับอาจบกับบ้านได้ <c oughs> เอาแล้วนะ <c oughs> วมึงทำมันเององี่ น, นะกะ <c oughs> บางครั้งก็ต้องทาอ่ะบางครั้งก็ต้องทำเพื่อที่จะตอกย้ำความเข้าใจ <c oughs> แต่ผู้ฝึกหึงคือไอคิวสูงแล้วมึงฟังมึงถุยอย่างเดียวแล้วมีเทสแล้วด้วย คุณต้องฟังผมประมาณรอบสามคุณจะได้อีกไอเดียหนึง่งฟังรอบสี่จะได้อีกไอเดียหนึง่งสไตล์ผมสอนเนี่ยนะคุณต้องฟังหลายรอบคุณอย่าิดว่าตัวคุณเองเก่งฟังผมรอบเดียวเราไปโน้ตไวมันเอาเซฟไว้แม่งเปิดฟังอไอเดียคุณจะกระชูดอะไรยังใช้ยุทธศาสตร์ให้มากๆสอนอยังนี้สามโคกอ่านยังสุดยอดอ่านสามโคกคือไม่ต้องอ่านซื้อวิดีโอมาอาจารย์เฉลยวัฒนศิลป์ท่านวิเคราะห์ใว้หมดแล้ว แต่ให้เจ๋งกว่าสามโคกอีกคืออะไรครับเล่นเกมสามโคกแล้ววันนี้สอนนเงาอ่านหนังสือสามโคกอ่ะานแล้วหยุดหยุดคิดว่า next step ถ้ามึงเป็นโจโฉมึงจะทำยังไงถ้ามึงกวนอูมึงทำไงหน้าต่อไปผู้แม่จะแก้เกมกันยังไงเขียนช้อยออกมาช้อยเอช้อยบีช้อยสี่ช้อยดีย 4, ชย D, ใช่ไหมครับแก้เกมยังไงผมไม่รู้ผมไม่รู้ว่า อยารดูหนังเรื่องทอยดูหนังเรื่องสไปเดอร์แมนดูหนังอะไรแล้วแต่ผมจะสต๊อปเขาลูกลักชดต่อไปหนูจะทำอะไรึกฝึกให้เด็กมีการหยุดไม่ใช่เราฉายแมงประพุนตะเภาเท่านี้ครับสต๊อปเป็นจังหวจะจะังหวะ what t o do next ผิดถูกไม่ว่ากันต้องการให้ลูกมีความอะไรครับคิดยังไงทำาใหไงต่อทำยังไงต่อ แล้วผมดูนางกำลังภายในกับลูกเยอะมากสุดยอดดูคูอไม่ตออช่องสามทไมฮะซื้อแรงเลยระดับนี้ไม่เช่าซื้อเปิดแล้วก็หยุดตอนนี้กำลังดูขุนเศึกตระกูลอย่างเนื่องจากผมมีแต่ลูกสาวเพราะฉะนั้นนางกำลังภายในผมแต่และเรื่องผู้หญิงต้องเป็นนางเอกเข้าใจยังเพื่ออะไรอันนี้เพื่อได้ไปเจอผู้ชายอย่างพวกมึยดูถูกผู้หญิงเข้าใจยังหรือว่าถ้าผู้หญิงแม่มีความมั่นใจในตัวเอง คุดท้ายหาผัวไม่ได้เลยเข้าวัดกับพ่อพอข้าใยันึก่าผู้หญิงแล้วมึงเลองสลัดความเป็นผู้หญิงออกแล้วมึงอยากอยายอมไม่มีไม่มีหญิงไม่มีชายคุณปฏิบัติทําหมหนึงจุดจุดหนึง่งคุณจะสร้างเงื่อนไขว่าคุณเป็นหญิงแล้วคุณก็ไม่ไม่พัฒนาตัวคุณคุณต้องดีความเป็นหญิงออกมาใช่ไหมครับแล้วคุณจะเข้าใจผู้ชายแล้วคุณเจอจุดอ่อนผู้ชายแล้วคุณก็เล่นกับจุดอ่อนผู้ชายได้อข้าใจยัง แล้ายก็บอกว่าผู้ชายโัวง่ายวิ่งแย่บวชเถิดลูกอยู่พอ่อเ <c oughs> ขาจยานเลี้ยผู้ชายไว้ใจไม่ได้พ่อมงไว้ใจไม่ได้เงระวังเข่ปัมเลยระวังตัวไว้เขครับห่าวแฝดแบนี้ระวังตัวไว้ซเคยเห็นซมูยัางามกยังไม่รู้เลซึงูอยู่รู้ได้ไงเนาะ ถ้าต่อมาเรียนรู้มากแค่ไหนกว้างแค่ไหนสู้อะไรไม่ได้ครับรู้ใจตัวเองไม่ได้ก็คือธรรมะไม่มาโลกาวินาศในศาสนาไหนก็ได้นะเวย้ยนะครับเหมือนันนี้ทุกศาสนาต่อมาวันใดที่คิดว่าเก่งวันนั้นก็ไม่เก่งแล้วแค่ไหนเรียกว่าเก่งอะถูกว่ามันไม่มีคำว่าเก่งในโลกนี้นะคําว่าเก่งแม่งไม่อยู่ใน ในประธานุคมของข้าพเจ้าไม่มี่ินาทีนี้มึงเก่งวินาทีต่อไปมึงไม่เก่งแล้วจบแล้วโลกแม่งเปลี่ยนเทคโนโลยีเปลี่ยนเวลาเปลี่ยนใช่หมใจคนเปลี่ยนช่างอะไรใจหนอใจคนใช่ไหมเคยเคียงกู่ลองคิดดูบ้างไหมเกิดทานไม่เพลงเนี้ยถ้าสมรักทาสิ่งเก่งจริงเนี้ยทําไมแม่งไม่ได้เหรียญทองโอลิมปิกทุกครั้ง มันเก่งเฉพาตอนนั้นแต่กรรมการชุดนั้นใช่ไหมครับแต่วันนี้มันก็ไม่ใช่แมนยูเก่งเปล่าหรือปูเก่งเปมันก็หน้าวินาทีนั้นใช่ไหมครับวันนี้ก็ไม่ใช่เยอมประมาทลว้ยแม่งป้ายได้ง่ายเลยมึงประมาทเลยมึง เ, เสร็จเลยแล้วนายเป็นแบบไหนลูกน้องก็เป็นอย่างนั้นในการทำ learning, เรนนิ่งออกเทนไอเซชันเน่ะผมแทบจะฟันทงได้เลยว่า นายสันดานยังไงลูกน้องสันดานเป็นอย่างนั้นนายแม่งยิงยิงลูกน้องแม่งยิงยิงนายแม่งชอบรั๊กคนลูกน้องแม่งก็ปลั๊กคนนายแม่งปากหมาลูกน้องแม่งก็ปากหมามันจะเป็นเครียกว่าอิมโฟเรนซ์แบดแฮปปีที่อิมโฟเรนซ์กันระวังนะครับนายเป็นยังไงไม่เป็นอย่างนั้นจริงๆนะน่ากลัวนะเหมเอ เข า, าเหม็นที่หน้ามคุณต้องดูเรื่องทอยหรือคุณจะเข้าใจดูเรื่องทอยผมไม่าบอกไงการจัดการกับนายยากที่สุดผมกำลัเงเขียนหนังสือเล่มใหม่อยู่นะรอเ่งเรองก่อน How to control your boss โดยที่ your boss ไม่รู้ไม่เอา notice <laughs> เหมือนเงี่ยบางคนเนี้ยแม่งเก่งชิบหายผัวมั น, นก็มันเก่งแต่จริงๆถ้านนคนคนทวนเกมตัวนี้ผัวแม่งออกทีวีประจาเห็นป่าเลือกตั้งชนะทั้งประเทศแต่จริงๆแล้วใครมึงรู้ไหมใครเห็นว่าใครถูกต้องนี่คืออาคิโน่หญิงคนต่อไปวันใดก็ตามพระสินถูกยิงทิ้งหรือถูกวางยาพิษตายคนที่จะขึ้นมา็นายกคนใหม่จะเป็นนายหญิงคนแรกขึ้นไรกว่าฉลาดกว่าด้วย ปียาวาจากว่าไม่ต่ำ